วันนี้วันนี้เอเอเ อ, เ, อ, เ, อ, เ, อเป็นวันที่มีโชคดีทั้เร า, ารทั้งพระทุกเทอยู่ด้วยในปัจจานี้เราเได้ขึ้นไปจำพรรษานณะวัดท่านแสงเพชรเพื่อเอไปตากอากาศ เพราะว่าในพรรานี้เราสุขภาพไม่สบายเลยจึงได้ึ้นไปจำพรรษาท่านแองซุปพร้อมโดยสันตปาา์ปัตภาตโรไมโกมและสมณีกายและปัตะมุตโตด้วยนอกกนั้นก็เป็นพระอาจารย์ อาจารย์คูนเป็นต้นที่รวมกันอยู่ในัญษานี้และตอนนี้เสียงเสียงไทยบริการขึ้นไปอุปถัมภ์ตัวจำพรนษาและโยมบางบางคนที่ต้องการศึกษาก็ไปอยู่ด้วยแต่ไห่มากเพราะว่าในสถานที่ในอันเนยให้ <c oughs> แต่ก็เรา ได้รับทราบจากยนฉลอึ่งมีลูกชายที่มาอยู่อินโดนในไปเยี่ยมพ่อที่เมืองไทยแล้วก็เลยไปเยี่ยมเราที่สำาแส่งเชฟ เ, เราถึงทราบความเป็นไปของวัดอิทธิเด็นอย่างนีดีที่สุดนั่นก็คือในข่าวห้า สุนิพูร้เดชพระอุปราเราก็ภูมิใจหลายเพราะว่าเราในรานี้ทั้งขานร่างกายตัวกับภาาไสสมบูรณ์จะไปมาหาสู่พระสุนิโูรนั้นลำบักเมื่อเราได้ทราบข่าวเชนนี้เราก็เบาใจได้ดีใจว่า พุทธศาสนาของเรานั้นที่เราได้มาตั้งอยู่ในภูมินดนนั้นคงจะเป็นสาระพอสมควรได้ข่าวจากโยมชลอเล่าให้ฟังหลายอย่างเพรฉะนั้นในปัจจุบนันนี้โลกภายในกายของเราเป็นต้นเ บ, เบาบางไปพอสมควร พอที่จะอัดเทปมาฝากชุ่นิโทรได้พอสุกควรดังนั้นทุกอย่างซึ่เราได้พูดกันแล้วแต่นานทุกวันนี้พอได้ทราบว่าข้าตุณิโทรมีเพื่อนทีกสูอยู่โดยกันหลายองค์เข่นอนันโทอีระธรรมโมสุจิตโต ปุปปันโนกิตติสาโรนีอืมเมื่อเราเห็นเชื่อแลวกดีใจอืมทุกท่านคงจะอยู่ด้วยความสบายพอสมควรนอกด้านศพแม่ทีอ่าอ่าเออไม่ชัดรัอัมมาโรเจระอัมมาโรนอกด้านก็แม่ทีของเราซึ่งแม่ที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 ก็ให้จงภาการมีความสามัคคีซึ่งกันในการในการประพฤติปฏิบัติของเราเป็นไป เ, เราเห็นว่าเยมชะล อ, อ, อก็เป็นอุปถากภคนหนึ่ง่จะส่งข่าวให้เราเข้าใจพวกอุบาสิกาชาวกุงดันดอน เป็นต้นว่าโยมที่พุทธบุงเหล่านี้เป็นต้นเราก็ถามถึงอยู่บ่อยเหมือนกันก็เห็นว่าไปไ ป, ไปมามาอยู่เสมอหลังนั้นก็เลทราบว่าการบำรุงเสนาชนะอาคารของจิดเหตุนั้นก็รู้สึกว่าโยนี้สะดวกแล้วเราถามบ่อยเพราะาเราไปเราไปทุดนั่น เนี่ยเราก็ไปอยู่เจ็ดวันแล้วก็ไม่จัดไปเสียเลยลำบากเราเคยพูดให้พระภาคหลทุกๆคนพูดในฟอนเดี๋ยวนี้ถามไปแล้วรู้สึกว่าสบายห้องพระก็เรียบน้อยอะไรจะโดนน้อยทุกอย่างเนีการก่อสร้างมันก็น้อยลงเห็นว่าพระเนมทีของเราทั้งหลายที่อยู่กันนั้นมีภพละอันน้อยในการจะจั ด, จดแจงเสนาสนะ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 สำหรับพักวัดหนองสะโพงนั่นก็เคยผ่านมาแล้วจะมีความลำบากสักหน่อยหนึ่งในการอบรมสั่งสอนนี่ต้องพยายามถ้าสุมธโอ้ทุกวันนี้เราเห็นว่าก็คงจะไม่หนักอะไรนะคงจะไม่หนักอะไรนะมั้งดีไง <c ười> คงจะมีภาระมีภาระก็เหมือนกับนนไม่มีนมั้ยอืมมีภาระเหมือนกับไม่มีอันนี้ให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กเป็นธรรมดาอืมเนเราคอยเห็นกำลังของท่านพระสุเมโทมาหลายปีแล้วก่อนนึกว่าพอเป็นไปแต่ข้อให้เข้าใจนะพระสุเมธโทนะ ฉันทานวัดอุปชาเปรียบเรื่องเหมือนเหมือนมืนถังเทขยะ <c oughs> นะเห <c oughs> มือนถังเทขยะคนที่ลาคาญในขยะทั้งหลายนั่นก็ไป ท, ทําถังเทขยะจะให้คนอื่นเขาไปเทกลับแล้วก็คน ท, ทําถังเทขยะนั่นแหละไปเทเองไ <c> ม <oughs> ่เข้าใจวัดประโพงก็เป็นอย่างนี้ แม่แม้ขัง้งพุทธการกเป็นอย่างที่ธีเป็นเรื่องธรรมดานะเนี่ยเทไปเถอะทั้งเทขยันเราก็กาทำขึ้นไม่มีใครจะเทแล้วก็เทเองอเขามีเทเราก็เทเขามีทแล้กวลกว็ ท, กวท ำ, ท, ำทุกอย่างก็จะอย่างตรงนี้ทั้งเทขยันทั้งหมดนะ่ะของศพกระปกุกเลือรักทั้งปวงเข้าไปในนั้นเป็นเรื่องธรรมดาภาระของมสมภารพระอุปชาเขาเหมือนกันอย่างนั้น อะไรเขาก็จะเหวีอยู่ไปในนั้นเนี่ยในทั้งขยะของพระสุเมโธะนะอย่างนั้นพระสุเมโตต้องมีหูตาอันยาวดึกซึ้งไม่วันไหวทุกข์การอือดทนความอดทนนั่นเป็นแม่บทของธรรมะทั้งหลายที่เราจะอยู่ไปได้นั้นอย่างไรก็ตามที่เรากล่าวมานี้นั้นอืเพื่อให้ความอบอุ่นของปกเถื่อทั้งหลาย ทั้งสองทั้งจองข้างทั้งพระอาจารย์สักพิชาจติงยหาริอันเตวาสิทั้งหลายนี้เราช่วยกันไปช่วยกันทำซ้อมใจกันช่วยกันทูกสิ่งทุกอย่างทีนี้วัดจิตเถิดเราจะสร้างอาคารมันเสร็จแล้วก็จริงเออแต่จริงสร้างอาคาร คิดเหตุไม่ยากนะในกี่ปีมันก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วสั้งอาคารห้องพก็เสร็จแล้วอืมอะไรอะไรก็เสร็จแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จคือการ ร, รักษาการรักษาเสนาสนะการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่เสร็จการปวดการเช็ดการทำอะไทุกอย่างอันนี้ไม่เสร็จก็จะทําไปตลอดการตลอดเวลา การสร้างวัดว่าอารามมันไม่ยากหรอกสร้างพระนี้มันยากอสร้างพระนี้มันยากอืมันยากแต่ของยากๆเนี่ยทํำให้มันทํำได้เนมันดีของไม่ยากทําได้มันไม่ดีหรอกของยากๆทาได้มันดีมากเลยอะอันนี้กลุกันฉันนั้นฉะนั้นให้ช่วยกันมีกําลังบํารุงพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้น ในสถานที่ิตเหตุนี้เพราะว่าทั้งพวกคนไทยที่ไปศึกษาเราเรียนทางนักเรียนท้งพอ่อแม่ของนักเรียนหรือใครจะไปจะมานั่นเราก็รู้จักถามเสมอว่าไปเยี่ยมจิดเหตุไหม เราถามไม่บ่อยรู้สึกว่ามีใครมีคนสนใจหลายเป็นสาขาของเราในทั้งเมืองไทยเช่นวัดนาคาหรือวัดหอนองปลาพงซึ่งมนอยู่ใกล้เคียงกันอย่างนี้เราจะมีเห็นว่าพวกชาวเมืองนอกจะไปเยี่ยมเมืองไทยจะต้องไปวัดห้องปลาพงและไปจองไปวัดนาคาอยู่เสมอ ในถามข่าวถึงเสมอเสมอทุกาการเขาก็อบรมกันพอสมควรดีใจเราเห็นมากวัดหนองประพงและวัดเมืองไอชาและวัดจิตเหิดที่เป็นสกขาของเรานั้นเราดีใจว่าเรามีความพร้อมเพียงกัน ท, ทําในเชกนขนาดนี้เราก็มีความดีใจ <c oughs> ฉะนั้น <c oughs> บัดนี้เราก็ไม่มีเรื่องอะไรเรานอ้อมจิตมาเพื่อ แผ่เมตตาจิตให้ถึงพวกท่านทั้งหลายทุกๆท่านจงมีความอยู่เย็นเป็นสุขสมาีพร้อมเพียงกันทุกๆท่านขอเมื่อทางขอให้น้อมจึงคุณพระกีรตพัฒนาัยประพฤประธรรมประสงค์จงดูนบันดาลให้จิตฐานดูจิตใจของท่านทุกๆท่านให้มีความสบัยดีในการต่อไปทางพระสันต เออออเอันตะที่อยู่ด้วยเออพระพากรทูทีอยู่ด้วยทุกองค์พระผดังนั้นก็อยู่ด้วยผมนั่นเนี่ในทรามเสียงเทศอยู่นั้นอยู่วัดสงฆ์พคศ์ก็มีเนนองค์หนึ่งอืมซึ่งเป็นอยู่เมืองนอกที่ไปอยู่นั่นไงทางวัดนานาชาติก็มีหลายองค์คงอยู่กันสบายสะดวก ปีนี้สุขภาพผมนั้นไม่ค่อยดีผมจึงปล่อยพระเนรจข า, าทั้งหลายนั่นให้อาจารย์ทั้งหลายช่วยกันทำเองการบวชพระเนนนั้นที่ผมนั้นมีน้อยเพราะว่าลับสนมากจับสนมากไม่ไหวสุขภาพไม่ไหวจึงช่วยแบ่งกันให้มหาอมร หรือมาดุชาคาโรเป็นต้องช่วยกันแบ่งไปแบ่งพละ ก, กันไปให้มันเบาถึงบัดนี้เราก็ยังยังโรคของเราในอยู่วัดธรรมจะาเทวดีนี้ก็รู้สึกว่าสบายก็มีท่านพบภาราโรติดตามไปที่ไหนที่ไหนก็ไปด้วยเพื่ อ, อรักษาสุขภาพด้วยทุกอย่างไปด้วยอยู่ที่อยู่วัดก่อนันจะจิตโตไม่โกร เป็นผู้รักษาที่ตัดติดตามเราไปสม่ำเสมอ น, น, นั่นก็คือพระพา ก, กโลเป็ น, นต้นท่านเป็นผู้เก่าเราพูดมนได้หลายก็ได้ภาษาท่านก็ดีหลายอย่างก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราทั้งหลายแล้วฉะนั้นวันนี้โยมชะลอท่านในมาเยี่ยมเป็นครั้งที่สอง ทางลูกชายเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังอยู่สลาใหญ่วัดธรรมเสียงเทสนี้ได้เวลาแล้วคมจงเอาเทปมาอดัดเพื่อจะฝากไปถวายพระสะุมทโทและสารุสิจิทั้งหลายให้รู้เรื่องดังนั้นผลทิ่สุดนี้วันต่อไปข้างหน้าถ้าสุขภาพเป็นไปได้จะพายายามมาเยี่ยมจิตเหตุอีกหนได้ ดวงประกานตังต่งใจทุกทุกท่านาละอละไนะเนีเ่ยจะยินเรียกว่วอันนี่มันก็โยมพิบทุกวนนันในกิจ เ, เหตุอะไนะพระมันจะมากขึ้นกิจจะมากขึ้นก็อาจารย์ก็มีภาระมาก มันทีต่อไปแสดงทำตรงโ น, งน้นตรงนี้ก็ปล่อยให้ลูกเล็กๆมันอยู่บ้านก็หมายความว่าพระเล็กนน้อยเราก็อยู่บ้านอยู่วัดอาจารย์ก็ไปโน่นจะเทศจะในประเทศนั้นประเทศนี้สอนเรด้วยไปไอ้พวกเด็กๆมันอยู่บ้านก็อย่างเด็กๆบ้านเราเนี่ยพ้ามันห่างจากพ่อแม่เต็มไปนี่เรื่องมาชดีอืมจะดี อดีเราเป็นหัวเป็นตาก็ช่วยกันพอสมควรช่วยพอสมควรคือจะเอาอย่างดีเมันก็นี่า อ, อันจะมาบอกว่าแห่จะามาเป็นเท้าประชาบวชพระก็บวชให้ก็บอกเขาว่าบวชเสร็จแล้วบวชพระวันนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จ คือบวชใ้สมมุดเป็นพระเหมือนเราอยู่รวมกันเนี่ยอยากจะได้อะไรอันหนึ่งจะมาเป็นเครื่องหมายเช่นว่าไอ้กเกลือจะเอาเกลือที่ไหนไมัเนเ ก, กลืมมเกอนะนะเอาา ล, ออล่ น, นมม ท, มมที่นี่ไม่มีแต่มีทรายจะนั่งกองหนึ่งกรรมมาตรงนี้มีสมมุติว่าเกลือนั่นน่ะก็เอาทรายมากองไปทางหน้าแล้วตกผลนี่สมมุติว่าเกลือทําไมจึงสมุติเพราะเกลือจริงไม่มีต้องเอาทรายมาส ม, มุดทรายนั้นมันก็ต้องเปเกลือไงเกษตรเป็นเกลือหรือส ม, มุติ จะเอาผักใส่อาหารไม่ได้ไม่เค็มมันเป็นสมมุติเราบวชพระวันนี้ก็เดียว่าเป็นพระโดยที่ยังไม่เป็นพระกี่แท้กี่แท้บางคนจะเข้าใจว่าบวชเรีกเสร็จแล้วแม่เราบวชเสร็จแล้วพ่อแม่ก็ทราบถกได้ยนะินแล้วย่าให้ยังมีจุดที่รักสร้างสลงหลังนี้สร้างเต็มที่ปีต้องปีมันเสร็จตอนนี้ว่ามันยากไม่ยาก มันยากเมื่ อ, อไรมันยากเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเราจะได้รักษาสาราหลังนี้นยะหลายขีดยึดไม่จบเลยต้องรักษาด้วยวอดมาแล้วก็เมือนกันยังข้อปฏิบัติเรายังแอบปฏิบัติเป็นพระโดยสมมติกัารแยกว่าเป็นพระไม่แค่นี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเจ่านี้ข้อวัดปฏิบัติของพระนั้นยังมากเเกิน ยังมากเยเกินอยู่โน้นไอสิ่งที่เราไม่รู้เยอะเรารู้แต่บัดเช่เนพระวันนี้ก็เดี๋ยวเป็นพระกันโดยสมมุิกันแล้วต อ, อนนะี้อย่าไปเผลอน่าอย่าไปดีใจว่าเราเสร็จแล้วอันนี้เสร็จสร้างทาลังนี้เสร็จแล้วจบเรื่องไม่จบนะจะต้องรักษามัเหีือนหายชีวิตของคนอันนี้ผมกำกันฉันนั้นเฉะนั้ น, น, นทางชะก็ปฏิบัติมาพูดถึงเรื่องปฏิบัติกันก็เมืองไทยของเราเนี่ย เดียมากก็มาปูดเมืองเราเนี่ยนะมนะั้งก็เราเกิดเป็นเมืองทยเนะี่ยบวชเั็นคนหนุ่มนานตาเลยมันละเรียนยน่ะเรียนเรียนได้เยอะเนี่แต่ว่าเจยังไม่รู้ไม่เห็นการพมเป็นจริงเพราะมันขาดการปฏิบัติเหมือนจะมีนาหลายหลายทุ่งก็จริงแต่ว่าไม่ทําจะเอาผลเกิดจากการนานันไม่ทด้มีนาหลายทุ่งไปสยๆอันนี้กดียวกัน เรียนไปเธอก็เรียนไปเรียนไ ป, นไปขาดการปฏิบัติบวชก็บวชกันไปเธอมันขาดการประพฤติปฏิบัตินี่ไมนเป็นจริงจรัสกันนี่ฉะนั้นในจริง เ, เป็นเครื่องจีบบังของพวกเราทั้งหลายเนี่ยบางทีลูกหลานแล้เราบวชเออดีใจแล้วฉะนั้นดแล้ทีนี้บ้านเราโดยมากนะอือก็เป็นภาณบารมี เป็นบทแรกมันเป็นขั้นแรกมนะัทฐานบา ร, รมีกาบรบำเพ็ญบารมีบทแรกสร้างบา ร, รมีโดยมากก็สร้างเจ้าฐานบา ร, รมีเท่า น, ะนะั้นนะไม่ไปที่ไหนทานบา ร, รมีฐานอุปบรรปารมีป ร, รมัตถะารมีก็ไม่เข้าไปอยู่แต่ธธาบา ร, รมีเท่านะั้นทรงกลววันนี้ก็ย่างเข่าพรุ่งนี้ก็ย่างเข่าปีนี้ก็ย่างเข่าปีต่อไปก็ย่างเข่า ถ้าเป็นคนไข้เลยสิเมื่อาวานนี้ก็ไมทานข้าววันนี้ก็เป็นยังไงไปถามอย่างเก่าอย่างเก่าคือไม่ทานข้าวสองวันสามวันนั่งในอย่างเก่ามันหนักไปหน้าน่ะวันนี้ก็ไม่ทานพรุ่ง น, นี้ก็ไม่ทานต่อไปก็ไม่ทานข้าวแต่ถามกันเป็นยังไงเอออย่างเก่าไม่อย่างเก่านะมันเทิมนะคนไม่ทานทานข้าวสามวันสีวันมันจะตายเลยกาลังมันจะหมดแล้วอันนี้ก็มันสำคัญนะเราก็อมันสำคัญ ทอยู่นี้างเขาได้ต่อว่าจะมาโดยิทงไหการให้ทานตั้งบรรารมีทงนี้พวกชาวเมืองนอกก็มาทางหลายเฮ้ยดกกัดตงตกใจนเอากปดูพรบาทตามป่าใชนั้นเนี่ยเด็กเด ก, ด ก, ดกมันเห็นพระใว่าแม่พระมาแล้วแม่ามาแล้วนี่ท่านก็อยู่สบายบ้านท่านเดินไปจนอุ้ยเหนื่อย ไม่มีใครว่ามาจากบาทรเลยมาจากวันยไม่เคยจะมีเมื่อท่านมาอยู่บ้านน้องก็เป็นท่านอยู่กันสบายแต่ท า, านั่งสมาธิเนี่ยทำกรรมฐานฝึกจนไปถึงหน้าเราก็อยู่แค่เก่าขงางใรทำไหไม่ค่อยเชื่อมต่อไปที่ไหนซึ่งมีเวลานี้แนะ่ะค่อยกระตุ้นงข้าไปหน่อยพวกเราทําหลายการชนบทต่างๆ่ามีกา ร, กรฝึกสมาธิอืม ติดสมาธิมันต่อยๆขึ้นก็่จะขึ้นไปอไมงมีสติดีขึ้นออาศัยการรูก้การเห็นที่พระมึงนอกอี่มาทําเป็นตัวอย่างาให้ฟังใ้ดูเราจะไปทำกันไปแต่ถ้าใช้สำหรับฝึกใหม่เอ ง, เองอการกระทันชนนี้ก็ไม่มีไม่รู้สึกว่ามันจะมีในพวกเราทั้งหลาย ผูเราทั้งหนายเป็นคราวาสเป็นเมตต า, าให้ทานให้ทานหมดเช่นนี้ตอนี้จะวบไม้นั่งสมาธิในดุเรียนในดุเรียนในดุเรียอย่างนี้อืมอันนั้นทุกวันนี้พยายามไปฟอยทำยบ้านตบปุ่มใหม่โดยมากเฉพาะวัดป่าเลยให้นั่งสมาธิ ค่อยๆทาไปทําไปดูดูดูดูดูบางคนก็พบความสงบเมื่อพบความสงบมันก็ดีใจทังกั้นไปค่อยๆไปค่อยู่ที่มีปัญญาบางทีก็พูดมาก็น่าฟังเพราะมันเห็นหยุดมันเห็นก่อนนี่การทำพุทธศาสตร์สนานบางคนทำก่อนเชื่อบางคนเชื่อได้ทึงทำมันเป็นอย่างนี้ บางคนคนไปเมืองมากก็ไปใช่ไหมครับนี่ยังไม่เห็นไม่ทําก่อนเชื่อทําไปบางคนเป็นปัญญาโดยเชื่อโดยจริงทำบางคนทําก่อนเชื่อบางคนเชื่อโดยจริงทำมันเป็นคนสองประเภทนี้ไปด้วยกันให้ v o k มาใช่ว่าให้มาให้มาทําแล้อใครมันเชื่อใครมีความเห็นของเรามันเชื่อมัน่นกันไปในใจกันืมมันจึงมีระฐานอันดีที่สุด ไม่ว่าเจาาาะพระหรือเราถึงือนนันบวชมาในพุทธศาสนาแล้วเพื่อนผูง้รักจะมาะพยายามดึ้งมาดิ ง, นะดงไม่ค่อยจะมาผมทจำได้ผมําไม่ได้ไไดคําพูดของท่านอ น, นั้นต้องมาคิด น, นาให ม, ม่คุณทําไม่ได้ต้องพยายามทำํำใครก็ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าสังก็ทําได้ทุกคนทําไม่ได้ ก็ต้องมาเสดขจพ ย, ยายามทำทำไปทไําไปทําไปจนกว่ามีความชํานาญมันจะเกิดความรู้มันจะเกิดความเห็นชนานการกระทําเป็นนิ้มใของพวกเราเป็นปฏิสทาแต่ความจริงๆแล้วนั้นนะ่ะถ้าจะมามาพิจารณาแล้วนั่นนะแล้วการปฏิบัติธรรมพูดยังงี้ใช่ไการปฏิบัติธรรม ก็คือทําการปฏิบัติให้มันถูกแนวทางของมันไอ้สิ่งที่เราต้องการที่เราจะคอยไปรู้ไปเห็นนั้นคือความจริงความจริงมันตั้งอยู่ไอ้ความจริงนั้นเราเราเราไปไปสร้างมันขึ้นไม่ได้จะทําทลายมันก็ไม่ได้อันนั้นเรื่ของจริง ที่เราปรับภูมิมันขึ้นมานี่ปรับปูมิด้วยสติปัญญาด้วยสังขารความเปลีแป่งขึ้นาตามความเป็นจริงนั้นจริงจริงอันนั้นอจริงถมกจับมาใจใบ ป, ปกนังสีเดินนี่ว่านังสีนี่นอกหเหตุเหรอผลคนเรามันทนําในเหตุในผลให้คนไปทํานอกหเหตุเหรอผลแล้วไม่มีใครจะทําอะไรได้หมดปัญญาเพราะเราทํทาจะต้องมีเหตุผลที่ทํากันไปอย่างนี้ เอาหนันสีอเดมี่เสร็จมาอ่านให้เขาทำใบปกอย่งนั้นฟังจริงทั้งหลายแล้วนี้มันเป็นของลําบากอยู่เหมือนกันคือเราไปนค้นหาความจริงในความจริงอันนั้นเราไม่สร้างมไม่จะทําลายมันไเลยได้จะแปรมันไปอย่างไหนก็ไม่ไปมันจริงอของมันอยู่อย่างนั้นไม่เป็นไปอย่างอือ่นอาจามาเคยเล่าให้ฟัง เทศไปเทศไปก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเทศในฝั่งเอออันบางคนก็พัฒนาไปนะเกิดสงสัยขึ้นมาแหมอันนี้ก็ถูกไหมน้องอันนี้จะติดหมนะ้อนนนะบางทีนั่งใน่สงบวุ่นวายก็สงสัยบางทีคนสงบแล้วก็สงสัยสงสัยยุ่ยไปเพราะมันยังไม่รู้น่ะเองตามเป็นจริงนี่นมันยังสงสัยอยู่เรืย่ยๆอันนั้นอัตมาถึงบอกว่าถ้ามันเป็นนี้นั่นจะเป็ยังไงไม่ทําอะไรมันรับอย่งนั้น ตรงนั้นที่เรียกว่าเราชอบใจส่งเหล่านั้นก็ให้มันชอบไปเถอะแต่เปลี่ยนมาเอออันนี้ไม่แน่อันนั้นไม่ชอบใจขันเอออันนั้นประหยัดเปเชื่อมันมากอันนั้นกับอันนี้มันไม่แน่ไปเห็นอะไรก็บอกว่ามันไม่แน่ทั้งนั้นไว้แค่ก่อนเนาะพูดไปพูดมาเห็นของไม่แน่มันแน่มันแน่ อันนั้นมันแน่ไอสิ่งที่มันไม่แน่น่ะนะมันแน่ถ้าเรารู้จักสิ่งที่ว่ามันแน่ไม่มันไม่แน่มันแม่แน่เราก็ปล่อยมันไปตรงที่ว่ามันแน่มันอยู่ตรงที่ไหนนตรงที่ว่ามันไแน่อันนี้เป็นถ้าพูดตามบัญญัติก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาสมถานคือจะไปเชื่อมันทุกอย่างเป้าหมายอันนี้พระพุทธองค์ท่านเหว่า เราบอกว่ามันไม่แน่เราก็ทํามันไปทไปําะไรเช่นว่าเทคนิคเนี่ยมันแน่มันไม่เปลี่ยนเยชอบมันนะอีกบุญเราจะไม่ชอบมันนั้นอุ้อบริ ษ, ษัทใหม่ดีกว่าวมันไม่แน่มันไม่แน่นั่นแหละไม่แน่เนี่ยมันแน่อยู่ตรงนี้แ่ะจับอันนี้ไปเรื่อยๆป้าเมื่อใครสนใจเห็นชัดในสิ่งที่วานว่ามันไม่แน่คนนั้นอ่ะจะรู้จักของแน่ ในสิที่ว่ามันไแน่แห่งนี้ตรงนี้มันถบกกระป๋องพระตรงนั้นแหละมันจะอาดตรงนั้นน่ะมันจะอาดเพราะนําของสกบกระป๋กออกตรงนั้นก็จะอาดที่ตรงนั้นตรงที่สกกระป๋องนั่นเองสมัยก่อนเราที่มีสบกระป๋องเรไม่เอาเดี๋ยวหาที่มันสะอาดดีกว่าก็ไปฮะไปมันก็ต้องไปพบของสบกระป๋อต้องทําของสบกระป๋อง ไอ้ความดีเราเห็นมานานแล้วไอ้ที่มันสะอาดแต่เราไม่พบมันของตกระปุกมันจิบอยู่เมื่อไรเรามีโอกาสดีเราเอาของตัวกระปุกออกของสะอาดมันอยู่ตรงนั้นนั่นจันเร็นว่าอะไรที่ว่ามันแน่ๆนั้นมันแน่แต่เราพ้นมันอยู่ตรงนี้เองมันอยู่ตรงนี้เองจิตเรานีื่ของมันการตรงไหนก็เป็นอย่างนั้นตรงไหนก็เป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงน่ะมันยุ่งก็เพราะจิตของเรามันยุ่ง มันยุ่งไม่สบายต่อเพราะค์กิจของเราไม่สบายเนี่ยความคิดของคนเราความจริงี้ให้ควา ม, จ ร, ม, วามจริงเราจะพูดตรงกันข้ามตรงกันข้ามกิจของเราไม่เป็นอะไรไอ้ความคิดเรามันขึ้เท่านั้นแหละใบไม้เห็นหมั้ยมันนี่งเฉยเมื่ อ, อนั้นมันสงบด้วยลมมันมาโฉบมาพัดมันที่มันกวาดแกงนั่นเป็นเพราะอะไรลมแม่นลม ถ้ารมไมนมีเป็นต้นใบไม้มันจะนี่งไอ้ความเป็นจริงใบไม้มันสงบอยู่แล้วที่มันไม่สงบเวลานี้ก็เพราะรมมาโกรกอย่งนั้นถ้าหมดลงไปใบไม้มันจะนิ่งจิตของเราก็เป็นเป็นสิ่งที่สงบอยู่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่สงบอยู่อย่างนั้นไม่แปรเปลื่นมันจะเป็นอยู่ของมันอย่างนี้ที่มันเป็นนั่นเพราะมันหลงอารมณ์เพราะรมมันโกรกมันก็แปลงกวาดแกงไปมา แล้วก็ลังเต็มเพราะอะไรเนาะจิตใจของเราเนี่เรากำลังมันต้องชําระจิตของเราให้มันสะอาดตามความเห็นของของเราส่งชําระจิตแบบนั้นไอ้ความไปยิงจิตของเรามันชะอาดแล้วจะต้องไปชําระอะไรมันอันนี้มันมีมายาสาขไยอย่างนี้มันเห็นม่าจิตมันสะอาดเราตามตามมันไปถึงที่ตีภูตังจ้ะความเป็นอยู่อย่างนั้นและเป็นต้น ไม่ต้องไปฟอกอะไรมันอืมไม่ต้องไปทําอะไรมันอืมมันไม่ยุ่งกับใครดังนั้นนะ่ะที่มันยุ่งมันไม่ใช่จิตอั น, นนะอมีความนะเสียงก็เสียงแค่นี้แต่ว่าเอาไปเอาไปงงาคิดพําราาดูจิตของเราไม่ได้เป็นอะไรแต่เราไปสงสยัยแบบมันจิตของเรามัเ น, เ ป, นมเป็นอย่างนี้เป็นที่มันเป็นอย่านี้ไม่ใช่ยางอืม่มสงหาอุปากรีตท้งหลายทางกวงมันทั่วพันธ์มา เราก็เห็นมาจิตของเราเป็นอย่างนั้นไอ้ความจริงๆไม่ได้ทิ้งจิตของเราการประสิทฏิบัติท่านจะสร้างต้นจากจิตไปจิตแท้ๆจริงๆเสร็แล้วนั่นน่ะมันเปกนของสนุกอันนี้นเรา ม, มาจิตที่วุ่นวายแล้วก็มาจิตที่ถูกวุ่นวายมันก็ไม่ใช่ถูกมันก็ไม่ใช่นจิบที่ถูกต้อง มันไม่บุบวายแล้วมันไม่สุกมันนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นเหมือนใบไม้ธรรมชาติในมีโร่มันก็นิ่งให้มันอยู่อย่างนั้นอือถ้าผู้คนไทยตามไปถึงที่ปีพูตันออันนั้นเนี่ยมันแน่นเพรามันอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นเขาจะไปทำลายไม่ได้จะไปฟูงแจงมันขึ้นไม่ได้จะไปสร้างอะไรมันขึ้นไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้น จะได้สร้างทั้งทีคือสร้างหารกิจสร้างภารกิจของมันอย่งนี้ธรรมชาติทุกอย่างที่เราทํากันทุกวันนี้อย่างเช่นพวกาการทํารวดรายต่างๆก็ทําทให้เหมุผลธรรมชาติออปรับปรุงในเ น, นื้อธรรมชาติธรมชาติคือธรรมชาติมันจะอยู่ของมันอยู่แล้วไม่แปรไปอย่างอืง่นเราก็พยายามทําให้เนื้นธรรมชาติอย่างนั้นจิต ท, ที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็คือธรรมชาติผี ต, ตีผูตัง มันตั้งอยู่อย่างนั้นมันเป็นเพราะมันอยู่อย่างนั้ น, น, นจะเป็นวึสังขารก็ได้ตามภาษาของเรายึิสังขารคือความปรุงแต่งคือความไม่ปรุงแต่งมันเป็นยึดสังขารสังขารตอนนี้ถ้าเรารไูไม่ดีไม่ดีงก็เปลี่ยนมาเป็นปัญญาของเราเปลี่ยนเป็นปัญญาเพราะไงไปค้า ง, งปัญญาเ้ราะไง คือควปรุงแต่งมั น, นเป็นอย่างงัน้นทำให้มัเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทําเป็นเพื่อปุงแต่ให้มันสดให้มันสวยให้มันงุ่นใมันนี่ขึ้นมีแต่การปุงแต่งจะต้องปุงแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นธรรมาชาต evet. ิกินเสี้ยไม่มีอะไรปุงแต่งเลยมันเป็นวิสังขะไม่ต้องปุง응แต่งเลยมันเป็นธรรมชาติมันคงจะเป็นอย่าง น, นั้นเราต้องตามานี้ที่เราไปนั่งอยู่าี่บางครั้งเนี่ยเรานั่งแล้วคิดเออเอ้า บันี้เราจะทําอย่างเต็มที่ เ, เลยนะกำหนดทุกเรื่องตัดฟันใจนี้พร้อมใจโอ้ยยืดบุญไวเลยวันนัที่มันจะเต็มไปในะบางที่สองวันนี้มันสบายอารมณ์มันสบายทีย่สี่ตะน่อยปล่อยมันสง บ, บเลยต้อ <Okay. S 1> อย่าไปดีบมันมากอย่าไปปล่อยมันมากเข้ามันรู้ถ้าดีบมันพุ่งบางทีก็เลยนั่งเข้าไปไม่สง บ, บเลยจะเอาให้สง บ, บไม่สง บ, บ บางทีเราปล่อยเค่ๆมันดีสำหพนะเพือมันใกล้ควมจริงกับไปแค่เราไม่เคยจะทู้มั น, นไอความอยากเราพามันดีกับไปพามันดีกับไปลองลองแบนี้วันนี้ฉันจะนั่งให้มันทูบหลาดนี้ชะตาเมียมันจบจบไปแล้วจบเลยสิทักคนนึงก็เราปล่อยมันเด็กกี่ดอกเขช่างม่ใช่แคไม่มากวนเราไอคนที่จุดทูบเนี่ยโอ้ นั่งไปในถึงห้านาทีทูปเป็นจจรจะมุดยังงอไม่จะดื่มตายมาดูสักได้อุปท า, านนี่มาแล้วมันรำครนาญเป็นการทูดหลอกเดียวดื่มตายตั้งห้าครั้งก็ไม่จบก็รำคาญนะฮะเดือนเรดีไปเองบางครั้งที่เราทำเราไปเราไปไป ว, วัดเหยียบแจกอะไรก็ปล่อยตามธรรมชาตมันงมดทูดสักสองดอกก็ได้ไม่ราคาญเลย นั่งออกมานะเพื่อนอันนี้มันก็เปลี่นี่คือว่าเราตั้งใจเปลีนไปความพอดีของมันในนีไอ้ที่มันเกิดข้อคือความพอดีเหมาะสมการเหมาะสมของมันนั้นการปฏิบัติธรรมะคือวางจิตให้มันพอดีอันนี้มันเปลีนพอดีซะทําไมมันถึงเกินเพราะความอยากมันหน่นหลังหน่นไปโน่นไปเรื่อยเรื่อยได้เปลนความพอดีก็เลยได้วุ่นวายไปอย่างนี้มันก็เปลี่ยนเหมือนกันอืม แค่นอาจจะมาพึงว่าอะไรประชันมันเตะหาว่ามิใช่สบายใจแล้วอันนี้อารมณ์นมีส่นพันเราอันนี้เราไม่ชอบเต่งอันนี้อันนี้ฉันชอบเต่งอันนี้ก็วไม่เนี่ยนะครัเอาที่นี้ดีกว่าทิ้งไว้ั้งแลกทิ้งวั้งแรกมันไม่เที่ยงทําไปจําไปมันจะเห็นเจ้ของเจ็บอย่างนั้นเอ้ของนี้มันเจ็บของมันอย่อย่างมันเด็นของเที่ยงมันจะเป็นความจริงอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้นะตามเราท่านผิดแล้วแคนั้น มีอท่านก็ห้อยลอยไป้ไทุกมีอท่านก็ให้อยลอยเป็นเรื่องธรรมดาของมนเรื่องความจริงๆเรื่องที่ไม่สุขไม่ทุกข์ความสงบความสุขไม่ใช่ความสงบความวุ่นวายในความสงบให้ความสงบไม่สุขไม่ทุกข์ตรงที่ไม่สุขไม่ทุกข์คือความสงบตรงนั้นทําไม่ไม่เคยถึงอะไรปัญหามันยุปปัญหามันดึงดูดไป ปัญหาใหญ่นี่แหละอันนี้็นต้อ ง, ง, งค่อยภาวนาคิจารณ า, า, าการการทําสมาธินี่ไม่ใช่แค่การนั่งอย่างเดียวการยืนการเดิน ก, การนั่งการนอนสานะทุกอย่างเรียกว่าการปฏิบัติให้มีความรู้สึกอยู่ทุกเวลาใจเราเป็นต้นให้รู้จักความผิดชอบอยู่เสมอท่านบอกว่าให้เป็นผู้มีสติอยู่ทุกขณะ ทุกเวลาเหมือนเราจุดธูปในบ้านเนาะเราออกไปนอกบ้านตอนจะออกไปเออธูปหนึ่งบางทีเราต้องไม่ดับมันนะบางทีมันไหม้บ้าน้ก็ได้อย่างนี้แล้วก็ออกเป็ใจบ้างออกครั้แรกก็โวกถึงอือธูปไปจุดในบ้านเป็นอย่างนี้นนนเ น, น, เ น, เะนาะยรู้อย่างนี้จิตเป็นนั่งก็งนี้ถึงอยู่เสมอระวังอันตรายให้รู้อยู่หลังนี้เมื่อเรามีสตสิสัมปัญญะเรียกว่าสติปัฏฐานนั่นแหละสติปัฏฐานในสติอยู่ตรงนี้ คนมีสติอยู่ต้องรู้เรื่องว่าอะไรในเป็นอะไรก็ให้เป็นเหตุขึ้นให้ขึ้นสู่กัญญาของมีสติอยู่อันนี้ไม่ใจมันเห็นเดียวนั้นนอกจะค่อยทําไปเถอะออาิบที่เราสร้างโมดหยิบ ก, ก้อนไม่จับมันจี่ครั้งทึงจะเป็นโบดดูมีอะไรบ้างนี่เรามาต้นนานหยิบมาเผาหยิบมาจับสารพัดอย่างก่อนมันจะเป็นโบด อีกก้อนหนึ่งไม่ได้จับจีบตั้งกันเลยอย่างนี้อารมณ์ที่เราทำที่เราอยู่อย่างนี้มั่นตํางานปัจจุบันไม่อยากทำํำอยากไปที่มันเป็นเกินไปไม่มีอะไรรับจให้เข้าใจว่าการปฏิบัติไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิอย่างเดียวสมาธิมันเดินมันจะเป็นสมาธิของเราได้ยืนเดินนั่งนอนเต็สมสมาธิได้ดังนั้นเต็มสมาธิได้ จมาที่แปลได้ได้ความมั่นหมายความตั้งใจมั่นรู้จากอารมณ์อยู่รู้ตัวอยู่เสมอนีบางคนก็เข้าใจโอ้ยผมไปไม่ได้แล้วผมนั่งไม่ไหวแล้วเนี่ยนั่งไม่ไห<ม><ม>ถ้าคนไปนิยมในการนั่งเนีนค่คือคือคนไปฝูกขันตัวเลยไปกระชห้ น, นงนายๆอย่าง น, น, างนี้แล้วจะต้องเปลี่นยนไม่มาดูเรื่องไม่ใช่การนั่งอย่างเดียว ยืนเดินมั่งนอนพระพุ่โธท่านรู้แหละคนมีการยืนการเดินการมั่งการนอนแต่ว่าในยาบททั้งนี้ให้เรารู้อยู่ทุกขณะขึ้นเรัอนราแม่งมาเรือขึ้นเรือเราเดินมาเดิอ mm. แต่ความรู้สึกมีอยู่อย่างนั้นจะ mm. ทำไปคนแก่เคยสอนตรกหลานมาไฟ ไฟมันอยู่ที่ไม้ไม้มันแห้งเชนไม้ไผ่มันแห้งเอาไม้ไผ่สองที่มาสีกันเข้าไปคนแก่ยังนี่บอกไฟมันจะตรงนี้ไอ้คนหนุ่งๆก็อยากจะเห็นไฟเอาไม้ไม้ไผ่มาสีกันอีกตนึกว่ามันเกลียวกระลามันจะได้ฮึยไปความเหนื่อยมันก็มีไอ้ความขี้เกียจมันจะมีขึ้น <c oughs> นานเหลือเกิน มันชวนจะร้อนถึงมาหลังพักไหน่อยเลมีเลยนะหยุดไปคาหน้า น, านิงก็เย็นไปแล้วนึกเลยธรรมสีนี้ก็ทั้งจี๋ต่า ง, างชาติไม่เห็นไฟคนเมืองคนแก่ ก, ก, กาญยคนฮวบโบราณอย่างนั้นแหละนี่นมีเพื่อนมีไฟก็มีแล้วอันนั้นความร้อนไม่สมรุ่นกันไฟก็ยังมีอยู่ออนะี่นะไอ้ที่เรามาเห็นเรานึกว่ามันไม่มีไอ้ที่เรามาเห็นนั่นเราไม่ได้นึก แตไปรูกว่ามันไม่มีอันนี้อันนี้ก็เป็นเหยุเหมือนกันสมัยนั้นมันพ่อไปนั่งการภาวนาเนี่โอ้ยมันอยากจะผลทุกข์มันอยากจะผ ล, ะผลทาําไอ้นัน่งตรงไหนไปมีแต่เสียบนบนวบาก็อยู่ในป่าวันนั้นไปทำไงนั่นโยมก็เอาเอาพึ่งเอาขี้พึ่งมาถวายทำเป็นเทียน คิดไปคิดนั้มันเป็นพระโห่นันเอาทีตตัมาล่อใส่เป็นคะพาสองก้อพอขอนั่งอุดมันเลยจะหยุดไหมมันไม่สงบมันวุ่นวายมันจะส่อไปมันก็มีเสียงอื่นขึ้นมอืออคนมันไปอย่างนั้นเห็มันรู้เรื่องทึ้ไมคนมันไปไม่มีเสียงคนมันก็มีเสียงอื่น อืออืออือไปนะแต่ทำไปดีๆเป็นมันคิดออกออ้อออโหก็ไม่อยากได้ยินเสียงตาก็ไม่อยากจะเห็นรูปมันป่วนแเ้าพอใจอย่างนั้นรูปรูปยังกิ่นรถมันก็เป็นข้องมันอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรม่นจะไปป่วนใครเราไปป่วนเขาทั้นเราไม่เข้าใจอย่างแค่คิดมันเท่านั้น ถ้าเราลึกมาได้อย่างนี้นะโอ้ยนั่งอยู่ไห่ก็พอจะนั่งได้แบบนมีเนาะถ้าเรามาไปควนเขานี่เนาะพอพระดังมันมานั่งสมาธิเป็นไงมีความเห็นไงไหมพวกที่นั่งประจำนะฮะก็ไม่ไม่เคยมีความเห็นอ่านิ่งแล้วไม่ถามเนี่ยพวกที่มาใหม่ๆก็มีความเห็นมากมาปีแรกมีความเห็น ความเห็นในตรงนองจะจะจะเปลี่ยนควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีคําว่าควรจะตลเวลาแต่ว่าพออยู่เกินปีนึงก็หายไปอก็ต้องเอาไปนันก็จะเปลี่ยนมันขัดจังหวะของมันเราเรนดูทุกวันใครมาสวงถังใครมามาขวางอยู่ตรงนี้าเนี่ยมันก็ต้องถึงอารมณ์ อ, อ, อ, อ, ท, อ, อท่ําาศัยบารมีของเราอาศัยปัญญาของเราไปเพราตัวอย่างคนลงไปเอาไม้สีไฟไปสีไฟหนึใจมันร้อนอยากเอาไฟมามาไหมมาสีกันจากเสานาเตียนมันเกิดไฟแล้วนั่นไม่ได้ความร้อนในส ม, มุนณ์มันก็ลัเกิดเป็นไฟบางทีนั่งไฟ น, นั่งมาตัะเบื่เหนือยนั่งอิ่มแต่ว่าเราไม่พอใจในการการะทําของเรา เพราะคิดไน่ถึงบางทีเราไปอีกในสถานที่อันหนึ่งการกระทําเช่นนั้นเห็นของเราไม่ประโยชน์อ่ะที่ไปพบไม้ไม่มีประโยชน์อย่างนี้อย่างบ้านเราในสภาพอย่างนี้มัสบายอยู่มันใครอย่างนี้นะเอย่างนี้ไม้กองอย่านี้นะนี่แล้วคนนี้ไปสร้างบ้านอื่นไปพบบ้านอื่นว่ายิ่งไร้ตัวหนีไม่ถึงบ้านอะไรอย่างนี้แน่บ้านเราเป็นที่ดินแน่ใช่ไหม อันนี้ก็เป็นตกกลับไปกลับมากลับไปกลับมามาบวกทุกขุนหารไปเรื่อยๆอืมไอความผิดไปก่อนความถูกมาทีหลังความทุกข์มาก่อนความสงบมาทีหลังอย่างนั้นสันติหมดทุกข์ขั์เห็นทุกข์เราอยากถอยธรรมดาเพราะเราไม่ต้องการทุกข์เราในตัวให้เกิดปัญญาไม่คิด หีกมันไปปในความเป็นจริจการทุกสารู้มันเรียนดูจากทุกแล้วมันเป็นทุกอืต้องหาอย่างไรหาในที่นี้ะให้การประพฤติปฏิบัติมันคือเริ่มออกจากใจไม่ใช่เริ่มออกจากใจอือเอาอย่างไรในที่อย่างนั้นอ่ามิจฉุสิทธิไปอยู่ไอ้จ็คเขาเนี่ย อืก็ามาทําก็มาทานกันไม่รู้ไปกิ่ลัทธิเนี่ยจะยืนจะเดินจะเหินแต่ไมไตตมาก็ไปดูแต่เมตต์เองไปดีเหมือนกันนะ <c oughs> โดยมากตามตามไปดูแล้วนะ่ะไอโคนเทียมานั่งให้ผมโอ้มันแย่มาแล้วคนทั่วไคนมันเป็นประสาตไอคนไม่รู้เรื่องมันมาแล้วก็ปล่อยมันทําตามเรื่องมันมาดูแล้วก็ดูตาม อไปดูคนร้ายถล่มมารวมกันนี่ก็น่าดูเหมือนกันนะเหนไน่าดูเหมือนกันอย่างไรก็ว่าทําวิธีกรรมฐานปฏิบัติของเขาก็มีมันก็มีอันหนึ่งที่ให้เขาทำอย่างนี้แล้วก็ดูโดะดวรรวมการกระทําของเขานั้นเราก็รู้เรื่องซึ่งพามาประชุมต้องให้เราเทสบเทสบุตริษย์กับคุณล่ามเทเทตัด ก็ต่อจแล้วตัดตรงนี้ออกถ้าต่อจนเราตัดตรงนี้ออกตัดไหมแล้ว่ามันจะไม่เทจีจบแล้วก็ใครสงสัยให้โอกาสแค่เดียทั้งนั้นยสงสัยนี่แหมสับสนกากเกินหลายอย่างแต่ว่าดีเขาสงสัยดีปัญหาดีแก้แ่ในกอยะ มันหาแก้ในขยากเหมือนในสงสัยในเมือนไทยแหละเมืองไทยลรมันเรียนรู้แต่ว่ามันไม่ทำมันมีความสงสัยมาสงสัยเกี่ยววนสัตพัดอย่างอืมอย่างนี้อันนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆเลยพูดกันตรงไปตรงมาเลยเราก็รู้จักเออมันสงสัยมันพูดง่ายรู้ง่ายถ้าพูดกันแล้วผมจะรับไปที่จีนใหม่อย่างนี้นะไปใหม่ เราไปยืนอย่าอนีเขาฟังมีเหตุผลของเขาไหน่ดีอยแม่ในกลุ่มมากๆก็สบายใจนะฟังถ้าฟังก็ฟังจริงจริงจรตาไม่กระพริบเลยฟังเอาใจก็ไปฟังเข้าไปเนี่ยแล้วก็ใส่ก็ไปใส่ก็ไปแต่ว่ามันไม่รู้ภาษาเขาสมัยนั้เนาะถ้ารู้ภาษาอย่างนี้ก็ดีเนาะปล่อยให้ขึ้นมืโทอือแล้วทำไับางทีเก็พูดยันถึงพูดที่สองมัน จ้างไปหน่อยก็มีเนาะไปถึงศิษยมสามก็จ้างไปเลยก็นีซึ่งจ้างไปถึงมีอย่างนี้ซึ่า อ, าอาจเจนไปอย่างนั้นรู้จักตับภาษาถ้ากาันชีจะร้านก็ใครั่ว <S <S ดีไอ้ภาษานี่ไม่เป็นยอมชะลอเพราะอะไรนี้ก็ไม่ดีแล้วก็แกขนาดนี้แล้วก็ไม่สนใจในภาษา ไม่สนใจกูสนใจมันก็ไม่ได้มันไม่เป็นไปแล้วก็เลยปล่อยทิ้งนะมันไม่แหลมอย่างนั้นอืภาษานี้สังเกตนะมันต้องพูดด้วยถูกไม่ถูกก็พูดไปด้วยมันพุ่งเดือเดือดมันพูดกันไปแกๆแล้วไม่มีแล้วต้องมีแต่พูดไปอยู่ก็ไม่เจริะยอมแล้วไม่จริงเยไม่สนใจก็พูดไปบ้างแล้วจะไปถวายพระสุเมทะ ตารบมายมฉรอมาลูกชายยมฉรอมาเยี่ยมดีใจหลายจะได้ถามข่าวข่าวถึงบัตรจิตเหตุของเราเวลาผมไปก็ถามถึงทูมาอาจารย์อยู่ด้วยไอปัญหานี่จะทำไงหลายประเทศอยากจะเลพพระอยากจะตั้งวัดสังออทเตรเลียอืม ันแคนาดาได้เห็นเมื่อวานได้เห็นว่าคานยอร์ใชเขียนจดหมายมาถึงอาจารย์อันจวนเมื่อวานนี้อาจารย์อันจวนมาพูดถึงปันหาเรื่องและการขอมาหาคุณพ่ออะไรต่เลยพูดกันถึงว่า เราก็ไม่รู้ว่ากฎหมายของนิวยอร์กเขาว่าอย่างไรมันก็ต้องไปดูซะก่อนต้องเริ่มจากตรงโน้นมาอะไรทําได้อะไรไม่ได้ต้องรู้ให้แน่นอนซะก่อนอต้องมาปรึกษากันว่าจะออกในลูกไหมถ้าถึงวันประกาศเรียนพ่อจะเอาอย่างไรที่เราก็อยู่กันที่นี่อาจารย์นันทวนก็ไม่ทราบ ว่านิวยอร์กต้องมีกฎหมายอย่างไงบ้างแต่ผมก็ไม่ทราบจะให้มันปรึกษากับผมผมก็บอกกับผมอยู่มืองไทย <c oughs> ผมไม่รู้ว่าใวยอร์กกฎหมายมันเป็นยังไงไอ้แพร่จากเทลิฟเนียเขยังต่างกับนิวยอร์กกฎหมายก็ไม่เหมือนกันเป็นรัดลมันไม่เหมือนกันเราจะต้องไปดูก่อนเขาได้มีกฎหมายเปิดทางให้อนุญาตจะในแค่ไหนอย่างไรและมาในรูป ลักษณะยังไงจะเป็นทรัสหรือว่าเป็นอะไรจะอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเป็นตัวบุคคลมันจะตายไปทำอย่างไง ม, มันก็ต้องคิดให้หลอด ก, ก่อนก็ไปอยู่ก็ไม่มีถ้าไม่มีคนอุปทาคนนี้ก็ผมเห็นอยู่อย่างอังกฤษที่นี้เป็นต้นะไม่มีใครช่ยบาดคุ้ <laughs> จัไกปัจจัยสี่มันขาดไปส้นหนึ่งแล้วนี่มันก็ ม, มันก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็เคยศึกษาดู อย่างพระลังกาดรอาทิตย์ักิ์อะไรนู้ทกีปไปใหม่ๆก็อดไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์แ จ, จะแย่เหมือนกันไม่ใช่เรื่องเล่นๆโอ้ไม่ใช่เรื่องนั่นจะต้องคิดให้รอบค่อบก็พระเล้าลูกศิษย์ทีนี้ต้องฉันข้าวหรือข้กวตเรืออยู่บัานสิ ทุกอย่างที่สุดคือทุกอย่างที่ไม่มีอะไรจะกินทุกมากของเขาแล้วใช่ั้ยเดี๋ยวนี้ก็ทุกอีกแล้วมันจะมากเกินไปนั่นนคว่าทุนเมทโธเราทำไปทำไปดีสิ่นสิ่แล้วงมันจะตีกลับหลังนะระวังตีกลับหลังกลับหลังยังไง เราเพลินไปทําไปด้ว ย, ยดืเรื่อยไเด็กมันเกิดขึ้นพ่อไม่ถึงน้าดูดไม่ขึ้นหลังกอดกอดกอดแล้วก็มีซูมิโทองค์เดียวขององค์ไปโน่นคว้าไม่ถึงเลย ด, ด, ด, ดูน้ํากอดกอดน้ําพ่อไม่ถึงน้ําดูดไม่ขึ้นจำยังไงล่ะเออนะน่าคิดนะอืมทุกวันนี้ดูเถอะ เอออ่าวัดตะพงเหล่านี้ยนะบ้านใดนีนะ่แต่ไม่ก่อนโอ้ยลาบากพยาย า, พยายามเทพคนเข้ามาพยายามส่งไปในธรรมะได้เพียงแต่เ ข, าเขามาเมื่อเข้ามาแล้วเนะอะไรอะไรมันก็มากขึ้นทุกอย่างเพราะมันคนมากขึ้นนะมากเลยก็ต้องการก็ทำก็ขยายออกไปเรืยดยด้วยด้ยดยข ย, ย, ยายไปเป็นที่มะครับทุกท่ รุ่นเก่าหมดไปรุ่นใหม่ตรวดขึ้นมามันตีกลับหลังหนึ่งระวังอยู่ น, นี่ยนี่ <c oughs> จะไม่มีใครตวจสารานี้เนี่ยแนะ่ไปตัวอู่เนี่ยมันกลับคือเราก็แก่ไปแเราขั้วไม่ถึงเนี่ยมันขัวไม่ถึงซะแล้วมันไม่ถึงซะแล้วทีนี้เมื่อเราแก่นะมันจะนั่งคูดกัน่วันค้อนวันอะไรไม่ได้ใช่แต่เอาเตตัวไปก็ยังจะไม่ไหวซะแล้วอย่างเนี้ย มันก็เป็นไป